เอาถ้าอย่างนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์นในาศาสนาอาในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทิฏฐิวิสุทธิใช่ไหมประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้มีปัญญาเห็นแค่ขันอายตนาธาใช่ไหมประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะซัมโมหะสัมปชัญญะกำหนดอ่าคำว่ากำหนดแยกแยะนี้เป็นนามเป็นรูปนะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะให้เห็นแค่นามรูปใช่ไหมบางคนนี่ก็ถือว่านามรูปนี่มันสุดยอดแล้วเนี่ยนะ ก็มีคนก็ บ, บอกว่าชาตินี้นะเขาขอเห็นแค่นามรูปเขาพอและชาตินี้บอกลืมตามก็เห็นแล้วแหละครับรูปหลับตามก็เห็นแล้วลนามังั้ น, นก็นั่งคิดไปเรื่อยนั่นแหละนามทั้งนั้นหลยว่าถ้าเห็นนามรูปจะไปเห็นยากเย็นอะไรเนี่ยนะบางคนเนี่ยบอกเขาขอเห็นแค่นามรูปเนี่ยนะแล้วก็พอพอเขาเข้าใจเออนามคืออะไรรูปคืออะไรเลิกเลยเนะพราะอะไรเพราะเขามีเป้าหมายแค่ เห็นหรือเข้าใจหรือดาเอาก็ไม่ทราบนะแต่ว่าสรุปว่าเขาตั้งเป้าหมายเพื่อเข้าใจนามรูปพอล้นะแต่ว่าถ้าสูงจริงเขาบอกว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เห็นแค่นี้นามรูปนี้นามนี้รูปประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เห็นว่านี้เป็นสิ่งที่ตั้งแห่งเวทนา3าประพฤติพรหมจรรย์ให้เห็นว่านี้คืออาหาร4หรือนี้คือขันห้านี้คืออายตนาภายใน6นี้คือวิญญาณทิติหรือว่านี้คืออายตนา12นี้คือท8นี้คืออินทรีย์ต่างๆหรือ ต้องการเห็นแค่นี้หรือท่านประพฤติเพื่อให้มีปัญญาเท่านี้ใช่ไหมคำถามอ่ะ น, นะท่านอยากจะมีปัญญาเห็นขันอายตนะธาตุใช่ไหมบอกไม่ใช่ทําได้ประพฤติเอาเพื่อสิฏฐิวิสุทธิ์ที่คือปัญญาแค่นี้หรอกสัมมาทิฏฐิอ่ะ น, นะทิทธฐิวิสุทธิ์ที่เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเรียกว่า ย, ยะถาภูตญาทัทสนะหรือว่าวิมังสาปัญญินสีสีปัญญาพระธรรมวิจยะสัมโพชฌง เอาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกังขาวิตรณาวิสุทธิความบริสุทธิ์คือการข้ามพ้นความสงสัยหรือท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้หายสงสัยในขันอายตนะธาที่เป็นอดีตเพื่อให้หายสงสัยในขันอายตนะธาที่เป็นอนาคตเพื่อหายสงสัยในกรรมและผลของกรรมหายสงสัยว่าชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยหายสงสัยว่า ชาติมีพบเป็นปัจจัยหายสงสัยว่าพบมีอุปาทานเป็นต้นเป็นปัจจัยใช่ไหมเพียงเพื่อต้องการข้ามความสงสัยอดีตอนาคตและปัจจุบันเพียงเพื่อต้องการข้ามความสงสัยเท่านี้ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยนะไม่ได้เพราะมีปัญญาแค่ข้ามความสงสัยกาหนดปัจจัยได้แต่เชื่อไหมสมัยใหม่เขาขอแค่นี้จริงๆนะ อได้กังขาวิตรณาวิสุทธิเขาก็จูรโสดาบันแล้วปิดอบายได้แล้วชาติหนึ่งจริงนะเขามาได้ยินมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะขอเคาขอเท่านี้จริงๆขอกังขาวิตรณาวิสุทธิถ้าได้กังขาวิตรณาวิสุทธิเป็นจูรโสดาบันเนี่ยนะแต่เขาไม่เข้าใจนะว่าไอ้ข้ามความสงสัยเนี่ยสงสัยหายสงสัยอะไรไม่รู้นะในะดีกาวิสุทธิมักเนี่ยอธิบายเลยว่า ที่บอกว่ากำหนดปัจจัยหายสงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันกาหนดแยกแยะปัจจัยได้เนี่ยทำไมจึงปิดอบายได้ไปคิดไหมว่าทำไมจึงปิดอดาได้เพราะเขาเห็นวัตตะและวิวัตตะเขาเข้าใจแล้วว่าวัตตะมันเป็นอย่างนี้ชาติชารามรณะเป็นอย่างนี้เหตุใหเกิดชาติชารามรณะอย่างนี้อดีตชารามรณะก็มีชาติเป็น ปัจจัยอนาคตต่อๆไปมันจะกี่พันล้านชาติมันก็ชะรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยปัจจุบันนี้คนแก่ทั้งหลายมีเกิดเท่านั้นแหละเป็นปัจจัยอดีตก็ความเกิดความแก่ความตายก็มีความเกิดนั่นแหละเป็นปัจจัยเมื่อใดเมื่อใดมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งเราทั้งคนอื่นมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหะถามว่ายังใจจริงๆเขานี่เขาสนใจ ช, ชรามรณะที่มีชาติเป็นปัจจัยไหมใจจริงของเขาเลยนะบอกไม่ นั่นแหละเ้าเรียกว่าเขาโน้มที่จะออกจากภพแล้วอันนั้นเป็นอัธยาสัยที่ฝักฝ่ายนิโรสัจจะและความเห็นอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นเบื้องต้นของมรรสัรจจะเขากําหนดทุกขสมุทัยนิโรธมรรคโดยโลกียะ ว, วิปัสนาได้ระดับหนึ่งแล้วนั่นแหละตัวนั้นแหละที่ทําให้เขาปิดอบายได้ไม่ใช่เออกำหนดเนี่ยนะเออเนี่ยสีมีมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแล้วก็ปิดอบายได้ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะเฮเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าเออตาเนี่ยมีกรรมเป็นปัจจัยหยุดอยู่เท่านั้นแล้วก็พอไม่ใช่แต่เป็นการจําเนกแยกแยะพิจารณาอย่างลงสู่สัจธรรมทั้งสี่เนี่ยนะโดยจินตามยถปัญญาเนี่ยนะโดยอนุมานญาณเนี่ยนะแล้วเขาก็น้อมไปเพื่อจะรู้อริยสัจนะโดยอุปนิสัยโดยอัธยาศัยจริงเขาน้อมไปเพื่อจะรู้อริยสัจนั่นแหละจึงทําให้ปิดอบายได้ไม่ใช่ว่ากําหนดปัดจจัยเนี่ยนะเออเนี่ยเสียงเนี่ยมีจิตเป็นสมุธฐาน โว้คนไม่เรียนธรรมะเขาก็รู้นะอันนี้มันพูดด้วยความโกรธชัดๆเลยเนี่ยน้ําเสียงงี้มันโกรธชัดๆเขาไม่เรียนธรรมะเขาก็รู้แล้วว่าโทสะเป็นปัจจัยแห่งคําอันนั้นไพูดอย่างงี้มันมานะชัดๆเนี่ยมานะเป็นสมุทฐานแห่งการพูดอไนี่อันนี้ก็เป็นคําพูดที่ปกติเขาก็รู้กันทางนั้นอะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมอันนี้พูดด้วยอํานาจความโลภนี้พูดด้วยอํานาจความโกรธนี้พูดด้วยอํานาจความลุ่มหลงนี้พูดด้วยศรัทธา น, นี้พูดด้วยปัญญาไปต่างเขาก็พอรู้อยู่แล้วเนี่ยนะ หรือแม้กระทั่งว่าสร้างสีขึ้นมาหนึ่งสีปั๊บสีแบบนี้ตันหาชอบไหมสีแบบนี้โทสะชอบไหมเขียนแบบนี้สิเขาจะได้โกรธเราเขียนอย่างนี้สิเขาจะได้ชอบเราเป็นต้นเขาก็รู้อยู่แล้วรู้ปัจจัยระดับหนึ่งแต่การรู้ปัจจัยแบบนั้นไม่ได้ช่วยให้ปิดอบายได้นะแต่ที่รู้ปัจจัยแล้วปิดอบายได้ก็คือรู้แล้วข้ามความสงสัยทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นว่า จะอดีตนานแค่ไหนก็ช่างเถอะจะอนาคตต่อไปยาวนานขนาดไหนก็ช่างชรา ม, มรณะมันก็มีชาติเป็นปัจจัยความแก่และความตายทั้งมวลมาจากเกิดทั้งนั้นน่ยถ้าไม่เกิดแล้วใครจะแกะ่ใครจะตายเนี่ยไอ้ความเกิดนี่แหละตัวเลวร้ายถ้าไม่เกิดก็จะแก่จะตายได้หรือไม่ได้ถ้าไม่เกิดก็ไม่ได้ฉลองมันเกิดและใครจะจัดวันเกิดให้เราใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เกิดไงนะเป็นห่วงตรงนั้นนะต้องเกิดอีกหน้าเน่ยนะ จัดวันเกิดแค่ไม่กี่นาทีที่เหลือบริหารความแก่และความตายต่อไปแล้วกันทีนี้ถามว่าอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยนะความเกิดมีอะไรเป็นปัจจัยชาตินี้นะทุกคนที่เกิดเกิดมาเนี่ยทำไมจึงเกิดก็บอกกรรมเป็นปัจจัยและที่มาเกิดที่ได้เกิดชาติที่แล้วเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยกรรมเป็นปัจจัยอนาคตถ้าจะเกิดอีกต่อไปก็เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยก็บอกกรรมทําไมต้องทํากรรมด้วยละ่ะ ไม่ได้มันยึดว่าเราว่าของเราว่าเป็นอัตตาของเราเนี่ยการยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยเป็นเหตุให้ทํากรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สําคัญเนี่ยคนที่คิดเรื่องกรรมเอานั้นก็อย่าไปทํากรรมสิเราก็อยู่เฉยๆจะได้ไม่ทํากรรมนั่นก็เป็นกรรมอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะความคิดอันนั้นก็เป็นกรรมอีกเหมือนกันนะ ก็อะไรนะเขาบอกว่าความคิดที่เป็นกรรมมันก็ไปตกเป็นจําเลยเป็นกรรมอีกแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่ากรรมเนี่ยเขาบอกว่ากรรมที่นําเกิดเนี่ยก็กรรมดําก็นําเกิดเป็นได้รับวิบากดํากรรมขาวเป็นกรรมที่นําเกิดให้ได้รับวิบากขาวกรรมทั้งดําถ้าทําคละเคล้ากันทั้งนําทั้งขาววิบากก็ได้รับทั้งดําทั้งขาวส่วนที่การไม่ทํากรรมก็คือการทํากรรมที่ไม่ดําไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เขามาเจริญกรรมไม่ดำไม่ขาวคือมรดโพชงเนี่ยซึ่งเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเนี่ยนะเขาจึงมาเจริญโพชงเจริญองค์มรเพื่อตัดกรรมเนี่ยนะเพราะอะไรกรรมจะดับเพราะอะไรดับดับอุปาดับตันหาและอุปาทานเขาจึงปฏิบัติเพื่อขจัดตันหาและอุปาทานถ้าตันหาอุปาทานดับกรรมก็ดับถ้ากรรมดับการเกิดก็ดับถ้าการเกิดดับก็เลิกแก่และเลิกตายเนี่ยนะ เลิกเกิด ก, ก็เลิกแก่เลิกตายเนี่ยนะผู้ที่ข้ามความสงสัยคือมีปัญญาอันนี้เนี่ยนะมีกังขา ว, วิตรณวิสุทธิที่อันนี้จะข้ามความสงสัยทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันข้ามความสงสัยในในสัจจะระดับหนึ่งแล้วว่าเออเนี่ยความรู้นี่แหละเป็นมัคสัจจะชรามรณะเป็นสมุทยัยสเป็นทุกขสัจจะชาติการเกิดเป็นทุกขสัจจะ ตรงกันข้ามกับชาติชรามรณะอันนี้เป็นวิวัตต์เนี่ยนะก็เริ่มคิดอันนี้แหละที่ปัญญาตัวนี้จึงทําให้ปิดอบายได้หนึ่งชาติแต่ก็ยังไม่พอเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะยังแพร่เบื้องต้น น, นะเนีเป็นก็เรียกว่าเป็นเพียงพื้นฐานที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าแค่นี้ก็บอกโอ้ ย, ยังอีกนานอย่งนั้นแต่ไม่แน่นะบางคนก็ใช้เวลาก็อีกนานแต่ก็ทําได้แป๊บเดียวเนี่ยนะก็มักผลเนี่ยบางคนเนี่ยนั่งอาสนะเดียวโกนผมเสร็จเขาก็บรรลุกันแล้วเนี่ยนะ บางคนเออบวชตั้งกับเป็นเนโ น, โน่นอะายุป8ปสิบยังไม่บรรลุเลยบางทีทรงพระไตรปิฎกด้วยนะทีนี้มันก็ถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อมะะักคะอะมะะักคะญาณทัศนวิสุท ธ, ธิหรือท่านปฏิบัติเพื่อต้องการจะมีปัญญาเยกเยะว่าวิปัสสนูปกิเลสไม่ใช่ทางอนุปัสนาเจดเป็นทาง การชื่นชมเพลิดเพลินอยู่ในวิปัสนปกิเลตทั้งเจประการไม่ใช่ทางพอนุปัสนาทั้งเจดเนี่ยเป็นทางใช่ไหมท่านต้องการให้มีปัญญาแยกออกแค่สองอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ใช่เนี่ยนะพระปุณณนะบอกว่าไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเท่านี้พเพื่อแค่นี้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ หรือก็แปลว่าท่านเจริญอันเนี้ยเพื่ออนุปัสนาเจเท่านั้นหรือนะปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิเนี่ยนะก็คือพวกอนุปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาที่มีกําลังเรียกว่ า, พ, านะพังขยานเนี่ยนะพังคยานเนี่ยก็คืออนิจจทุกขานัตตานุปัสนาที่มีกําลังอนุปัสนาทั้งเหล่านั้นที่บริบูรณ์ย่อมอย่างอะไรนิพถานิพถาให้บริบูรณ์ พยตูปฐานายานให้บริบูรณ์อาทีนวานุปัสนาบริบูรณ์แต่ละอย่างก็มีกําลังขึ้นเป็นอะไรมุลจิตุกรรมมยตายานปฏิสังขารานสังขารูเปะขายานเนี่ยนะท่านประพฤติพรหมจารย์เพื่อให้จนถึงอนุโลมายานใช่ไหมท่านต้องการประพฤติพรหมจาร์เพื่ อ, อมักอะไรนะเพื่อพังขยานเป็นต้นใช่ไหมจนถึงสังขารูเปะขายานเพื่ออนุโลมายานใช่ไหมท่านต้องการวิปัสสนาปัญญาใช่ไหมอันนั้ ประพืพ่อธรหมจรรย์เพื่อให้มีวิปัสสนาใช่ไหมต้องการวิปัสสนาอยู่เท่านั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านไม่ได้ต้องการให้วิปัสสนาก็เหมือนว่าคนที่ต้องการข้ามฟากเพื่อไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยนะจะไปอยู่บ้านเมืองฝั่งนู้นเนี่ยนะก็มาประกอบลําเรือสร้างเรือสร้างแพบอกว่าสร้างเรือสร้างแพเพื่อเพื่อจะเป็นเจ้าของเรือเฝ้าแม่น้ําใช่ไหมตอบว่าใช่ใช่ไหมจริงอ่ะจุดหมายอันแรกเลยจะข้ามไปอยู่อีกฟากหนึ่งใช่ไหม เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ต้องการต้องการเรือแพถึงสร้างเรือแพแต่ก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ต้องการจะอยู่กับเรือกับแพแต่ต้องการสร้างเรือแพเอาไว้ข้ามฟ้าเพราะฉะนั้นความที่ท่านมีเป้าหมายชัดเจนท่านจึงบอกว่าท่านไม่ได้มาสแสวงหาหรือประพฤติปฏิบัติทุกวันเพื่อให้ได้ปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิอ้าวถ้าอย่างนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อ ยาณทัศนวิสุทธิคือโสดาปฏิมัคคือสกทาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตตมัคใช่ไหมไม่ใช่ไม่เอาไงแน่ใช่ไหมตอนเอมัคเนี่ยนะตอนแรกอ่านเลยเออหน้ามัค ก, ก็น่าจะเอาใช่ไหมน่าจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อโสดาปฏิมัคเพื่อสกทาคามิมัคเพื่ออนาคามิมัคเพื่ออรหัตตมัคมันน่าจะใช่ท่านพระปุณณะบอกว่าไม่ใช่เกิดอะไรขึ้น ภาษารียบวกก็เอาสรุปว่าเอาทบทวนกันว่า ง, งั้นเพราะอะไรครอปฏิบัติเพื่อเพื่อพ้นจากทุกข์หรือปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือปฏิปทาเจนี่แหละศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานัทสนวิสุทธิปฏิปทายานัทสนวิสุทธิและสุดท้ายยานัทสนวิสุทธิเนี่ยนะภาษารียบวกก็เลยมาทวนเอางี้นาะทบซ้อมความเข้าใจกันหน่อยเอ็มชักยังไงอยู่นะเนี่ยเดีวขอขอซ้อมความเข้าใจกันหน่อย ผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อศีลวิสุทธิใช่ไหมท่านก็บอกว่าไม่ใช่ถามว่าเพื่อจิตวิสุทธิใช่ไหมท่านก็บอกไม่ใช่เพื่อทิฏฐิวิสุทธิใช่ไหมท่านก็บอกไม่ใช่เพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิใช่ไหมท่านก็บอกว่าไม่ใช่ประพฤติเพื่อญาณทัศนวิสุทธิใช่ไหมก็บอกไม่ใช่เพื <S <s <S ่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิใช่ไหมก็บอกไม่ใช่เพื่อญาณทัศนวิสุทธิคืออริยมรรคทั้งหลายใช่ไหมท่านก็บอกว่าไม่ใช่ เมื่อเป็นเช่นนี้สรุปมาท่านสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อย่างที่ท่านพูดแล้วท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่ออะไรเล่าผู้มีอายุผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่ออนุปาธาปรินิพานนะนะประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่ออนุปาธาปรินิพานอนุปาธาปรินิพานนี่มีอสองนัยยะด้วยกัน ตรงนี้อนุปาธาปริณิพานตัวนี้เนี่ยนะที่พระปุณณะบอกว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่ออนุปาธ า, ป, ธาปริณิพานเนี่ยหมายถึงพระนิพานท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออสังคตธรรมคือท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้แทให้ทําให้แจ้งอสังคตธรรมเป็นธรรมที่ดับวะตะท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออปัจจยธรรมธรรมที่ดับปัจจัยเนี่ยนะท่านจึงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อ นิโรธสัจจะเนี่ยนะเพื่อทํานิโรธสัจจะให้แจ้งเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดของท่านอยู่ที่นิโรธสัจจะท่านไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหามัคสัจจะอริยศาสตร์มี4ใช่ไหมทุกสมุทยัยนิโรธม้าระดับนี้เนี่ยนะระดับพระปุณณะเป็นต้นเขาไม่คุยแล้วทุกสมุทัยเขาไปคุยนิโรธมัทนะก็เรียกเน้นเป็นพิเศษนะเน้นพิเศษคือเน้นเน้นอะไรเน้นนิโรธสัจจะกับมัคสัจจะเพราะอะไรเพราะพูด ศีลวิสุทธิผู้ศีลวิสุทธิเนี่ยนะก็เป็นการพูดศีล ส, ส, สมาธิปัญญาก็เพื่อกําหนดรอบรู้ในกองทุกข์อยู่แล้วถ้าพูดศีล ส, สมาธิปัญญาพูดวิสุทธิทั้งหลายก็เป็นการพูดเพื่อละสมุทัยอยู่แล้ว